วินัยนักธรรมชั้นเอกมวนที่สี่โดยพระอาจารย์บุญมีจันทูุพโมกสวัสดีครับเพื่อนสาธ ม, มิกทุกรูปที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นเอกอยูออ่วันนี้เราก็มาศึกษาวิชาพระวินัยต่อจากครั้งที่แล้ว <S <S ครั้งที่แล้วเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระถิน ว่ากระถินนั้นคืออะไรและก็ผ้าที่ควรทำเป็นผ้ากระถินนั้นอย่างไรผ้าที่ไม่ควรทำเป็นผ้ากระถินนั้นอย่างไรและก็ภิกษุเช่นไรที่ควรจะเป็นผู้กรานกระถินตามในบาลีตามในอัตถกถ า, าเราก็ได้ศึกษากันมาตลอดถึงพิธีในการกลาบกระถินอย่างไรทีนี้วันนี้เราก็ มาศึกษาในเรื่องอานิสงของกระถินอานิสงแห่งการได้การกระถิน่นกล่าวไว้ในพระวินัย น, นั้นมีอยู่ห้าอย่างเดีย ก, กันห้าอย่างคือหนึ่งเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาตามสีขาบทที่หกแห่งอาเจรกระวะัตในปาจิติกันอสองเที่ยวจาริกไปไม่ต้องถือเอาตรายจีวรไปครบสําสำรับ สามชั้นคณะโพธปรมปราชนะโพธได้สี่เก็บอตัตเลกีวอนได้ตามความปรารถนาห้าจีวอนเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของได้แก่พวกเธอทั้งได้โอกาสในการขยายจีวอนการคือเขตจีวอนการออกให้ยาออกไปถึงกลางเดืนเอนสี่แต่ทั้งห้าอย่างนี้เป็นอนิสงส์ที่ได้จากการกลานกฐินแต่ว่า ตั้งห้าอย่างเราจะต้องท่องให้ขึ้นใจเหมือนกันท่องให้แม่นเลยทีเดียวแล้วก็ทำความเข้าใจออันในสองข้อที่หนึ่งที่ว่าเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาตามสิกขาบทที่หกแห่งอเจกรกวัคในปาริจดีการ น, นั้นอันนี้หมายความเฉพาะสิกขาบทที่หกเท่านั้นเองซึ่งสิขาบทที่หกนั้นได้กล่าวว่าทีา่สุรับนิมนต์ด้วยโพชนะทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะไปที่ไหนก่อนฉันก็ดีหรือฉันกลับมาแล้วก็ดีต้องบอกลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดถ้าไม่บอกลาเป็นปาจิติเว้นไว้แต่จีวรการ่คือกล่าวไว้อย่างนี้ฉะนั้นการไม่บอกลาตามในสิขาบทที่หกนี้ท่านมุ่งหมายเอาการรับนิมนต์ด้วยการออกชื่อโูชนะแล้วก่อนที่จะไปฉันก็ถ้าจะไปก็ต้องบอกลา หรือฉันกลับมาแล้วจะไปไหนต้องบอกลาแต่ถ้าหากวัดได้อานิสงส์ขถินแล้วไม่ต้องบอกลาก็ได้นะไม่ได้มุ่งหมายตลอดไปถึงการไปที่ไหนในเวลาวิการถ้าในเวลาวิการคือเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยจะไปไหนต้องบอกลา แม้แต่การได้รับอนุสวงแล้วไม่ครอบคุมไปถึงในเวลาวิการเพราะว่าในเวลาวิการเนี่ยท่านกล่าวไว้ในสิกขาบทที่สามเห็นกัตนวักว่าภิกษุจะเข้าบ้านในเวลาวิการต้องบอกลาเว้นไว้แต่การด่วนหมายถึงว่าเวลา อ, อที่จะเข้าไปในบ้านเนี่ยจะต้องบอกลาถ้ามีการด่วนเอเช่นเกิด เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีผู้ใดเกิดอะไรขึ้นที่จะต้องช่วยเหลือเนี่ยไปโดยการด่วนอย่างนั้นได้เนี่ยนั้นก็บางท่านจะไปเหมาเอาหมดว่าเมื่อได้รับการเมื่อได้รับกระถินหรืได้การกระถินแล้วไปไหนไม่บอกลาเจ้าวาดไปไหนไม่บอกลาภิกษุที่อยู่ในวัดอันนี้ไม่ถูกต้องนะตามหลักต้องบอกลาต้องบอกลาที่ไม่บอกลาเฉพาะสิกขาบทที่หกแห่งเจมกับวรนั้นเกี่ยวกับการรับนิมนต์ แด้วยการออกชื่อโภชนะทั้งห้าเท่านั้นอก่อนชั้นหรือชั้นกลับมาต้องบอกลาแต่ถ้าได้กลางกรถิ่นแล้วไม่ต้องบอกลาในกิจอันนี้ส่วนเมื่อจะไปไหนมาไหนนั้นจะต้องบอกลาเสมอไปถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไปขัดกับที่ขาบทที่สามแห่งรัตนวัอ่าซึ่งบอกว่าไปไหนจะต้องบอกลาในเวลาวิการอันนี้ก็เพิ่งทราบอย่างนี้ <c oughs> อส่วนเ อ, อันในสอ์ข้อที่สองแห่งการตามกตินั้นบอกว่าเที่ยวจาริกไปไม่ต้องเอาถือไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปครบสําหรับคือธรรมดาที่สูนี่มีผ้าประจําตัวอยู่สามผืนเรียกว่าไตรจีวรก็คือผ้าสังคติเอผ้าอุตราสง์ได้แก่จีวรและก็ผ้าเออันตรวาก ค, คือสบงมีสมผืนเนี่ยรวมกันเรียกว่าไตรจีวร ภิกษุจะต้องรักษาผ้าไตรายจีวรนี้ไปเรียกง่ายๆอีกอันหนึ่งที่เราเรียกกันรู้จักกันส่วนใหญ่ก็ว่าผ้า ค, ครองภิกษุอยู่ปราจจะไม่ได้คืนหนึ่งไม่ได้เป็นนิสสกิยปาปจิตติผ้าไตรายจีวรนี้ทีนี้ให้ได้อานิสงส์พิเศษเมื่อได้กลามกระถินแล้วจะไปไหนหรือไปที่ใดอย่างไรเนี่ย ไม่ต้องถือเอาไปทั้งสามผืนก็ได้จะถือเอาจะเอาไปจะพาะสองผืน เ, เช่นเอาไปเฉพาะผ้าจีวรกับผ้าสบงก็ได้ไม่ต้องเอาสังกิตไปนะ้นั้นบอกว่าจะไปไหนไม่ต้องถือเอาตรจีวรไปครบสามรับก็เอาไปอพอสมควรไม่ต้องขนไปทั้งสามผืนก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า ที่จะนำไปติดตัวไปก็คือผ้ า, อ, าอุตราสงหรือผ้าจีวรกับผ้าอันตราวาสกุกคือผ้าสบงก็ไปได้ไม่เป็นอรมบัตรบาสจากก็ไม่เป็นอรมบัตเพราะว่าได้อาริส่งกถินในข้อนี้เนี่ยสามฉันคณะโพธตั้พระราชณะโพ์ได้คำว่าคณะโพ์หรือคณะโภชนะเนี่ยคือฉันเป็นคณะในโภชนวัคได้กล่าวว่าภิกษุรับนิมนต์ ออกชื่อโภชนะทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไปฉันพร้อมกันในที่เดียวกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปถือว่าฉันเป็นคณะนะต้องป่าจิตีและก็ปรำประโภชนะหมายถึงว่าอาหารปรำปรบโภชนะอาจโภชนะทีหลังคือรับนนมนไว้ที่แห่งหนึ่งแล้วก่อนแล้วก็ไปรับนนมนอีกที่แห่งหนึ่งไวท้ทีหลัง ไปชั้นในที่นิมนต์ที่หลังก่อนท่านปรับอบัติปตัจิตตีนี่ตามตามพระวินยัยแต่ถ้าได้อานิสงส์กัถินแล้วเนี่ันเป็นคณะคือโภชนะฉันตั้งแต่สี่รูปรวมกันเมื่อรับนิมนต์ออกชื่อโภชนาทั้งห้าก็ทำได้หรือว่าชั้นประรำปรับโภชนะคือรับนิมนต์ที่หลังเนี่ยไปชั้นก่อนก็ได้อันนี้คืออนุญาตพิเศษ แต่ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราจะทำอย่างนั้นก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าภาพอาจจะไม่พอใจแต่ว่าพระวินัยก็ไม่ได้ปรับอบัติด้วยว่าอนุญาตพิเศษให้นะในข้อนี้ฉันคณะโพชนะปราปรับโพชนะก็ได้บางคนไปเข้าใจเลยไปยิ่งไปกว่านั้นว่าเขามาปราปรับโภชนะกลับไปฉันในเวลาเลยเที่ยงไปแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องนะไม่ได้หมายถึงขนาดนั้นเนี่ข้อสี่ เก็บอัตเต็กีวรได้ตามความปรารถนาคําว่าอัตเตกจีวรในที่นี้นั้นท่านมุ่งหมายเอาเฉพาะอัตเตกที่เกิดขึ้นในการจีวรเท่านั้นเองคือหลังจากออกราษาแล้วเนี่ยผ้าเกิดขึ้นแก่ภิกษุภิกษุก็ เ, เก็บอัตเรกไว้ได้ตลอดจะเป็นกิบผืนก็นแล้วแต่ก็เก็บได้จะได้อานิสงฆ์กระถินด้วยในกลางกรินอานิสงฆ์ก็ยืดไปถึงกลางดินสีเนี่ย ผ้าเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็เก็บไว้ได้ตลอดถึงอกลางเดือนสี่ในเมื่ออนิสงฆ์ยังมีอยู่นี่เรียกว่าอัตเต็กเก็บอัตเต็กกีวอนได้ตามฝานปรารถนาไม่ได้มุ่งหมายเอาอัตเต็กกีวอนก่อนนั้นคื อ, อบางท่านไปเข้าใจว่าผ้าที่เก็บไว้ปีสองปีมาแล้วเนี่ยพอได้กลางกระถินก็บอกว่าผ้าเหล่านั้นไม่เป็นสกีอันไม่ได้มุ่งหมายถึงผ้าที่มีไว้ก่อน แต่ท่านมุ่งหมายเอาอาัติเดกจีวรที่เกิดขึ้นในการจีวรเท่านั้นเองนะเก็บได้มีเท่าไหร่ก็เก็บไปได้จะเก็บอัติเดกจีวรได้ตามความปรารถนาท่านมุ่งหมายอย่างนี้และก็ อ, อันที่สองข้อที่ห้าเกี่ยวกับกระถินนี้ก็คือจีวรเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของได้แก่พวกเธอหมายความว่าจีวรที่เกิดขึ้นมีผู้นำมาถวาย ในอาวาสนั้นเนี่ยเป็นของได้แก่พวกเธอทั้งหลายที่ได้การกฐินนั้นนะเป็นของที่จะต้องแจกให้ทั่วถึงกันสําหรับภิกษุที่ได้การกฐินนั้นอ่ะข้อนี้าตามปกติเมื่อไม่ได้อานิสงส์เนี่ยถ้าพาดเกิดขึ้นในวัดนั้นเนี่ยจะมีใครเอามาถวายอย่างไรก็ภิกษุที่อยู่ในวัดหรือเป็นอาการตุกกะมาใหม่ก็ตาม ย่อมจะได้รับแจกทั่วถึงกันทั้งภิกษุอาการตกกะด้วยบางทีอาคารตกกะมีรรษามากกว่าก well ็อาจจะได้รับก่อนภิกษุที่อยู่ในวัดนั้นก็ได้ตามทั่วไปแล้วให้แจกทั่วไปทั้งภิกษุที่อยู่ในวัดนั้นและก็ภิกษุที่เป็นอาคารตกกะมาสู่วัดนั้นก็แจกให้ทั่วถึงกันทั้งที่เป็นภิกษุอยู่ประจําและภิกษุที่เป <un> ็นอาการตกกะ ถ้าได้กลาบกฐินได้อานิสงส์กฐินแล้วนี่ภิกษุที่อยู่จำพรรษาแล้วก็ได้กลางกฐินนั้นมีสิทธิในอันที่จะได้รับแจกทั่วถึงกันส่วนอาคันตุกะนั้นไม่มีสิทธิ์นะให้อาให้พิเศษไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแจกตามลําดับแต่ถ้าได้แจกแก่ภิกษุพวกเรากฐินจนผ้าจีวรเหลือด้วยความมีน้ําใจจะ อพโลกให้แก่แจกให้แก่ภิกษุอาการตกะนั้นท่านบอกว่าได้อยู่อันนี้ก็ด้วยความมีน้ำใจเท่านั้นแต่ตามอนิสงฆ์แล้วได้เฉพาะภิกษุที่อยู่ในวัดนั้นเนี่มีสิทธิ์ที่จะได้รับผ้าเหล่านั้นตัวถึงกันแต่หมายถึงว่าท่านเหลือแล้วก็ให้อาการตกะนั้นก็ไม่ขัดข้องอะไรมี่อนิสงฆ์ห้าที่ได้จากการกราบกระถินซึ่งก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลาย ก็ควรที่จ ะ, ะทําความเข้าใจและก็เพื่อจะได้รักษาอาณสงฆ์อันนี้ไว้ให้ถูกต้องว่าเราจะต้องได้รับอาณสงฆ์อย่างไรเมื่อเราได้กลานกระถินท่านแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของปริโพเทปริพเทก็คือกังวลเป็นเหตุอย่างไม่ดอกกระถินหมายความว่าถ้ายังมีปริพเทอยู่เขตยีวณการขยายออกไปตลอดสี่เดือนเฮมันตรดูตามกาหนด อาณาสองกระถิ่นทั้งห้าก็ยังมีอยู่ตลอดกำหนดนั้นแต่ถ้าหากว่าปริโพศนั้นไม่มีหรือปริโพศขาดเมื่อใดเขตแห่งกิวรการหรืออาณิสองกระถินก็สิ้นสุดเมื่อนั้นแล้ปริพศนี้อท่านกล่าวไว้สองอย่างคือหนึ่งอาวาสปริโพศกั้งวลในอาวาสที่สุที่ยังอยู่ในวัดหรือในอาวาสนั้นหรือหลีกไปภูมิใจอยู่ว่าจะกลับมา อย่างนี้ชื่อว่ายังมีอาวาตปริพธแต่ถ้าเธอลีกไปจากอาวาดนั้นด้วยทอดทุรว่าจากไม่กลับมาอย่างนี้ก็ชื่อว่าสิ้นอาวาตปริพธคสองจีวรปริพธกังวลในจีวรคือภิกษุยังไม่ได้ทาจีวรเลยหรือทาค้างหรือเสียหายในเวลาทำแต่ว่ายังไม่สิ้นความหวังว่าจะได้จีวรมาอีกยังชื่อว่ายังมีจีวรปริพโ แต่ถ้าเธอทำจีวรเสร็จแล้วหรือว่าทากำลังทำค้างอยู่ทำเสียหรือหายไฟไม่เสียก็ดีสิ้นความหวังว่ า, าจะได้จีวรมาอีกอย่างนี้ชื่อว่าสิ้นจีวรปริโโคตรแต่ปริโโคทั้งสองประการนี้แม้ประการใดประการหนึ่งยังมีอยู่ยังรักษาอานิสงส์ขดและเขตจีวรการให้เป็นไปตามกำหนดนั้น อถ้าขาดทั้งสองประการแล้วเป็น Un ate, อันหมดเขตอันดีสองกระถิ่นสิ้นเขตจีวรกายเรียกกันว่ากถินดอกคือรื้อไม้เสดึงเ อ, อเรียกเป็นสัพท์ว่ากรถินลุทธาโรเอคณิตกระถินลุทธาโรบ้างหรือว่ากระถินลุคพารโรบ้างแปลว่ารื้อไม้เสดึง อ, อทีนี้ต่อไปก็คือการเหตุให้กรถินดอกเหตุให้กถินดอกนี่ก็เป็นเรื่อง ที่เราจะต้องศึกษาว่าทำไมกระถินมันจึงดอกหรือประมันดอกพุทธเหตุอะไรก็ได้ได้เข้าใจมาแล้วว่าปฏิโพธิอทั้งสองอย่างใดอย่างหนึ่งขาดอยังมีอันิสองส์อยู่แต่ถ้าขาดทั้งสองแล้วก็จึงอนุมว่าสิ้นสุดอันิสงส์กระถินดอกไปแล้วเหตุ <c oughs> ให้กระถินดอกนั้น <c oughs> ท่านกล่าวไว้ว่าเหตุที่จะให้ เป็จะทำให้กรถินดอกคือหมดอนิสงกระถินสิ้นเขตจีวรการนั้นมีอยู่สามประการคือหนึ่งปริพโธดทั้งสองคืออาวาตปริโพโธจีวรปริโพโธขาดสองสองพร้อมใจการดอกเสียในระหวา่างสามสิ้นเขตอนิสงกระถินคือถึงกลางแดือนสี่เนี่ยเหตุสามประการนี้กระถินดอกนะอะข้อที่หนึ่งที่ว่า ปริพเ ท, ทั้งสองอาวดาตปริพเทกิวันปริพเทขาดอันนีเ้เป็นที่แน่นอนว่าเมื่ อ, อไม่มีความกังวลในอาวาตไม่มีความกังวลในเรื่องกิวันหมดแล้วนะไม่มีความกังวลทั้งสองอย่างนี้แล้วก็เป็นอาาันว่ากะทิมกะะ็โดหรือยังมีความกังวลในเรื่องอาวาดอยู่แต่ว่าสงได้พร้อมใจกันโดเสร็จแล้วได้พร้อมใจกัน ทาเป็นสังฆกรรมยติสุตยกรรมเนี่ยพร้อมกันยกเลิอกอาิส่งกฐินก็กฐินก็ดอกเหมือนกันหรือไม่ทําเช่นนั้นแต่ว่าสิ้นเขตพอถึงกลางเดือนสี่ก็เป็นอันว่ามันสิ้นเขตไปโดยโดยธรรมชาติที่พระพุทธองค์ท่านทรงอนุ ญ, ญาตให้ขยายไปถึงกลางเดินสี่ทันเมื่อสิ้นเขตก็เป็นอนุมนะัหมดอาิส่์นะหมดอาิส่งนี่ก็คือการดอกอกฐิน มือหมดอนิสงส์ก็ ก, ะ, กนะิมกระดดอนนั่นแหละกะินดอกก็คือหมดอนิสงส์กะินนั่นเองอาทิตย์มาติกาเรามาศึกษาต่อในข้อที่ว่ามาติกาเกี่ยวกับเรื่องของกะินเนี่ยนะมาติกาคือหัวหัวข้อแห่งการเดาะกะินท่านกล่าวไว้ในบาลีมีแปดนะคือหนึ่งพิสุได้กลานกะินแล้วทำจีวรเสร็จแล้วลีไปด้วยคิดจะไม่กลับมาอย่างนี้ ดอกกระทินด้วยกําหนดหลีกไปนะดอกกระถินด้วยกําหนดหลีกไปคือรับกระถินในกลางกระถินเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยีวันก็เสร็จแล้วก็ออกจากวัดไปนะคิดจะไม่กลับมาอย่างเงี้ยกระทินก็ดอกทันทีนะกระทินกรดโดดทันทีคนนี้ยีวันปริพ ooth ขาดก่อนเพราะว่าทำทำยีวันเสร็จยังไม่ออกจากวัดยังไม่ตัดสินใจที่ที่จะออกจากวัดไปแต่ถ้าตัดสินใจออกจากวัดไม่กลับมากระถินก็ดอกนะดอกก่อนกําหนด จีวรปริพภทศนั้นขาดก่อนเนี่ยอาวาสปริโภทศขาดที่หลังเรียกง่ายๆว่าดด้วยการหลีกไปเสียแต่สองพิสุได้กรานกระถินแล้วยังไม่ได้ทำจีวรหรือทาคางหรือหลีกไปด้วยคิดจะไม่กลับเธอทำจีวรภายนอกสีมาแ่ อ, อย่างนี้กระถิ่นดด้วยการทำจีวรเสร็จกำหนดด้วยการทำจีวรเสร็จเนี่ย หมายคว่าพิสุได้ความกรถินแล้วยังไม่ไทําจีวรคือจีวรอที่ <c oughs> เราไม่อยู่คือไตรจีวรเนี่ยเราทํายังไม่เสร็จเนี่ันทําค้านดูแล้วก็หลีกไปคิดจะไม่กลับอยังกระถินยังไม่ดอกเพราะว่ายังไม่ทําทำยังไม่ได้ทําจีวรยังมีกังวลในจีวรอยู่แล้วก็เมื่อออกไปจากอาวาสนั้นแล้วไปทําจีวรภายนอกสีหมาภายนอกอาวาสนั้น ทําทําจีวรเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าอาวาตบริพ o o มันขาดไปแล้วและก็จีวรปริพ o o t ก็ขาดตามมาเมื่อทําจีวรเสร็จอย่างนี้กรถิ่นก็ดอกด้วยการทําจีวรเสร็จอ่ะข้อนี้อันนี้อาวัตบริโภ o t h ขาดก่อนจีวรปริโภ o t ขาดทีหลังพูดไม่ว่าดะกําหนดด้วยการทําจีวรเสร็จนะทําเสร็จเมื่อไรก่อนกําหนดก็เป็นอันว่าดอกเพราะว่าคิดจะไม่กลับมาอยู่แล้ว อมาติกาข้อที่สามก็คือพิสุได้กรารกรถินแล้วเธอสันนิษฐานว่าจะไม่ทําจีวรล้วอย่างนี้ดอกกระถิ่นกําหนดด้วยการสันนิษฐานก็มหมายว่าพิสุได้กรารกรถิ่นแล้วนะอ่าก็สันนิษฐานว่าจะไม่ทําจีวรแล้อย่างนี้แล้วก็ออกไปเสียจากวัดคือออกไปเสียจากวัดแหละจะไม่ทำเละคือไม่ไม่คิดจะทําแล้วก็ดอกเหมือนกันดอกด้วยการสันนิษฐานนี่ย ข้อสี่ิสูจได้กลานกรถินแล้วจีวร อ, อันเธอกําลังทําอยู่อนั้นน่ะทําเสียหรือหายอย่างนี้กระถินดอกด้วยการกําหนดด้วยการทําเสียหรือหายก็หมายความว่าได้กลานกรถินแล้วกําลังทําจีวร อ, อยู่นะมันเกิดทําเสียหรือทําหายในขณะที่ออกจากวัดมันไปแล้วอาวัตบริโภคนั้นไม่มีแล้วก็เมื่อจีวรเสียหรือหายก็ <c oughs> คิดเ่าไม่ทําแล้วมันเสียหายไปแล้วก็เป็นอันว่ากระถินก็หน่อเหมือนกันนะข้อห้าพิสูจ์ได้การกรถินแล้วเธอหลีกไปด้วยคิดจะไม่กลับมีหวังว่าจะได้จีวรและก็ทําจีวรครังหน้าแต่หาไม่ได้อย่างนี้ก็การดอกกาหนดด้วยการสิ้นหวังก็หมายความว่าเมื่อได้กามกระถินแล้วก็ออกไปจากวัดแล้วก็คิดจะไม่กลับแหละไปทาจีวรครังหน้า ก็พอไปข้างหน้าหาผ้าที่จะทําจีวร น, นั้นไม่ได้เมื่อหาไม่ได้สิ้นความหวังในการที่จะหาแล้วอย่างนี้ก็กรถินกระดอกเรียกว่าดอกด้วยความสิ้นหวังนะสิ้นหวังในการที่จะอ่าได้อดิสงต่อไปเอเพราะว่าไม่ได้ทําจีวรก็หกภิกษุได้กลาบกรถินแล้วหลีกไปด้วยทิศจะกลับมา และทําจีวรภายนอกสีมาเสร็จแล้วได้ยินข่าวว่าในอาวาสนั้นกระถิ่นโดดเสียแล้วอย่างนี้การโดดกระถิ่นกําหนดด้วยได้ยินข่าวข้ อ, ขอนี้ไม่เกี่ยวกับปริพเน์คือหมายความว่าพิสูจน์ใกลางกระถิน่นแล้วก็คิดเอลีกไปแล้วก็จะกลับมาอีกเหมือนกันแต่ว่าไปทําจีวรภายนอกสีมาคั่งทาเสร็จเรียบร้อยเอะจะกลับมาเพอได้ยินข่าวว่าที่วัดเนี่ยอกอกถิ่นได้โดดไปแล้วก็คือ อ่าสงพร้อมกันอืมอ่าถอนอันนี้ถอนอันนี้สงเสียอย่างนี้กระถินก็ดอกเปน็นอันประดอกเหมือนกันนะได้ยินข่าวนะได้ยินข่าวข้อเจ็ดที่สูได้กลาบกรถินแล้วเธอหลุดไปทําจีวรเสร็จแล้วคิดจะกลับก็บจนกระทั่งวันล่วงคราวกรถินอย่างนี้การดอกกระถินด้วยร่วงเขนก็หมายความว่าได้รับกรถินแล้วกราบกรถินแล้วก็จะออกไปข้างนอกคือจะไปทําจีวรข้างนอกแล้วก็จะกลับมาแต่ว่า จอนจะกลับมาเพระมันล่วงเขตจีวรการไปแล้วคือมันถึงกลางดังสีผ่าน 4, ไปแล้วก็เป็นอันมาโดมันการคือถึงกำหนดมันก็โดดเองอันนี้คือเรียกว่าโดด ก, กำหนดใดยการล่วงเขตอ่าแปดพิสุได้กลาบกระตินแล้วหรือไปเธอทําจีวรเสร็จแล้วคิดจะกลับมาแล้วก็กลับมาผ่านการโดด อ, อย่างนี้โดดพร้อมกับพิสุทั้งหลายก็หมายความว่า ตับกรถินการกรถินเสร็จเรียบร้อยก็ออกไปเสียจากวัดไปทํากรถิ่นภายนอกสีมาที่อื่นเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาเพื่อจะมาดอกพร้อมกับพิสูจนทั้งหลายก็มาทันพอดีก็มาดอกกับพร้อมกับพิสูจนทั้งหลายนั้นแต่ประการนี้เป็นเป็นมาติกาคือหัวข้อแห่งการดอกกรถินนั้นก็ต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วเราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องว่าอย่างไรกรถิ่นดอกอย่างไรกรถิ่นไม่ดอกเนี่ย อคำว่าจ่าสวดให้ผ้ากระถิ่นนี้ก็ควรที่จะท่องเหมือนกั น, นเพราะว่าเป็นเอของที่ไม่ยากนักนักศึกษาเพื่อนสาธรรมิกเอที่ศึกษาพระวินัยเกี่ยวกับนธรรมเช่นเอกนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอท่องคําสวดกระถินนี้ให้ได้นคำสวดก็ไม่ยากเกิ น, กนไปและก็ไม่ง่ายจนมาก น, ะนักนะก็ อ, อท่านกล่าวคําสวดไว้เป็นยติทุติยกรรมาวาจา อ, อลําดับแห่งการสวดให้ผ้ากระถินนั้นได้กล่าวตั้งแต่ต้นไปแล้วนี่คําสวดก็ใช้สวดว่า อ, อผู้ที่เ อ, อรับผู้ที่ครองกรถิ่นที่เราจะให้นั้นน่ะมีฉา ย, อยาอะไรอย่างไรเราก็ต้องสวดให้เป็นไปตามนั้นนะคําสวดก็เราใช้ก็ว่าสุนาตุเมพันเตสังโฆ อีทางสังกัจจะกัตินาตุสังอุปานางังยะติสังกัจจะปัตะกันังสังโค อ, อีมังกตินาตุสังอิธ น, นามาาัสอหรือว่าพิคุโน อ, อีธ น, นามัตสะพิุโนหรืออายะสมะโตอีธ น, นามาาัตสทยะกัตินังอัตาริต เอสายาติสุนะตุเมพันเตสังโคอิทังสังขัสสะตะฏินาตุสังอุปนังสังโคอิมังตะฏินาตุสังอิธนนามัสสะปิคุโนหรืออาเยสมาตโตอิธนนามัสสะเทติกะทินังอัตถริตุง ยัตสาอายตสะโตคมติอิมั s สาตัดินาตุสาอิทันามัตสาพิกุโนหรืออายตสมะโตอิทันามัตสาทานังกัดินังอัตาริตุงโสตุนหัสสายัตสนคมติโสพาสิยา ทนางอิทังสังเขนะัคตินาทุสังอิท น, นามสาภิกุโนหรืออายาสมะโตอิท น, นามสากตินางอัตาริตึมาติสังาสาตัสมะตุนีเอวะเบตังธารายามีนี่ก็เป็นคำบาลีที่เรา ใช้สวดในการให้ผ่ากระถินที่มีคำว่าอิธนมนมาสสะภิโกโนหรืออายสัมมาตโตอิธนนามนาสนั้นให้เปลี่ยนเปลี่ยนเกี่ยวกับผู้ที่รับกรถินเป็นผู้มีปัญญามากกว่าผู้สวดหรือน้อยกว่าผู้สวดถ้าปรญญามากกว่าผู้สวดก็ใช้คําว่าอายสัมาตโตอิธนนามนาะเปลี่ยนตามชายาแต่ถ้าว่าอน้อยกว่า ผู้รับน้อยกว่าก็ใช้ว่าอิธานาันนมาสาพิคุโดแทนอายุสมานโตอิธันนามาสานะตอนนี้ก็เป็นคําเปลี่ยนอส่วนคําแปลก็เออก็ไปดูทบทวนเอาตามสมควรก็แล้วกันในะคําแปลก็ไม่มีอะไรมากคําแปลเกี่ยวกับการให้ผ้าตะถิ่นก็บอกแปลว่าเอาท่านเจ้าข้าขอสงจกรานคาพระเจ้าผ้า กรถิ่นผืนนี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงถ้าความพร้อมพร่างของสงถึงที่แล้วสงเปิ่นให้ผ้ากรถินผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้ เ, เพื่อกลานกรถินนี้เป็นยติเอท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าผ้ากรถินปืนนี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงสงเปิ่นให้ผ้ากิผ า, ากถินผืนนี้แก่ภิกษุผู้มีชื่อนี้เพื่อกลานกรถิน การให้ผ้ากระถินนี้อผืนนี้แก่พิสูจชื่อ น, นี้เพื่อกราบกระถิ่นย่อมชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นเพิงพูดผ้ากระถินผืนนี้สงให้แล้วแก่พิสูจผู้มีชื่อ น, นี้เอเพื่อกราบกรถินชอบเอย่อมชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้อันนี้ก็ เออเป็นคำแปลเกี่ยวกับการให้ภากฐินก็ต้องระ บ, บุชื่อภิกษุนั้นด้วยว่าฉายาอะไรก็ระ บ, บุชื่อเข้าไปด้วยเพื่อจะให้สงได้ทราบแต่ว่าเราทําอยู่ในปัจจุบันนั้นก็ใช้เป็นภาษาบาลีซึ่งก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็เป็นธรรมเนียมต้องรักษา อ, อภาษาบาลีสวดภาษาบาลีเอาไว้ถึงจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็เข้าใจโดยว่าการสวดนั้นคือการให้ภากฐิน เพื่อจะให้พิสูผู้ได้รับผ้ากรถินนั้นไปทําพิธีเกี่ยวกับการทําอุปกรณ์ถอนไตรอธิษฐานไตรเจวรและก็กรานเจวรพื้นใดพื้นหนึ่งให้เป็นผ้ากรถินขึ้นมาเมื่ อ, อกลานแล้วก็ให้ส่งในอนุโมทนาขา้นสงนอนุโมทนาก็เป็นอันว่ า, าเสร็จพิธีในการกลานกรถินแล้ก็ย่อมจะเป็นไปเพื่อให้ได้อานิสง์ให้ได้อานิสงห้านะดังที่ได้กล่าวแล้ว ดังนั้นการที่เราได้กรารกรถินรับกรถินนั้นต้องได้เข้าไปทําพิธีในการกลานและทําพิธีในการอนุโมทนาจึงจะได้อานิสงค์คือบางท่านเอรับแต่อัปโรเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เข้าไปร่วมในการทําสังฆกรรมอันนั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ในกลานกรถินเพราะว่าไม่ได้เข้าไปร่วมในการทําทสังฆกรรมให้ภาคกรถินและก็ทําพิธีกลานอะไรที่จะได้อานิสงค์ก็ต้องได้กลานกรถินจึงจะได้รับอานิสงค์ ในอนิสงค์นั้นก็จะยืดยาวไปถึงกลางเดืนอนสีเอาละครับเวลาลในการศึกษาพระวินัยในวันนี้ของเราก็ได้เส้นสุดยุติลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธรมิกทุกรูปสวัสดีครับเคุนสาธรมิกที่กําลังศึกษานธรรมยัญเอกทุกรูป อ, อวันนี้เราก็มาศึกษา ในกันที่ยี่สิบเจ็ดกันที่ย7ิบเจ็ดนั้นว่าด้วยการวัปรปชาและอุปสมบทการวบปปชาสั์นี้ก็หมายเอาการบวชทั่วไปรวมทั้งอุปสมบทด้วยก็มีหมายเอาเฉพาะการบวชเป็นบุรพประโยกแห่งการอุปสมบทรวมทั้งการบวชลำพังเป็นสามเณรก็มี แต่ว่าในปัจจุบันนี้บรรพชาหมายเอาการบวชเป็นสนัมเณีอุปสมบทหมายเอาการบวชเป็นภิกษุแต่ก่อนที่จะอุปสมบทก็จะต้องบรรพชาเป็นสนัมมณีมา ก, ก่อนจะอุปสมบทเลยทีเดียวนั้นไม่ได้กล่าวโดยสรุปแล้วก็บรรดาพระสาวกที่บวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาก็ย่อมได้รับทั้งบรรพชาและอุปสมบทด้วยนี่ ทีนี้เรามาพูดถึงการบวช ด, ด้วยไตรสนคมก่อนการบวช ด, ด้วยไตรสนคมนั้นที่ทรงอนุญาตให้สาวกอุปสมบทกุลบุตรในครั้งพุตการนั้นท่านแยกออกเป็นสองตอนคือตอนที่หนึ่งนั้นให้การให้คลองผ้ากาสายะเป็นการให้บัพปัญชาการให้ไตรสนคมเป็นการให้อุปสมบท เนี่เกี่ยวกับการบวช ด, ด้วยไตรสันนคมนี่ก็หมายความว่าตอนที่มีสาวก เ, าเกิดขึ้นพอสมควรพระองค์ก็ได้ส่งให้พระสาวกเหล่านั้นไปประกาศระศาสนาเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์แล้วก็มีคนละบุตรเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสในการที่จะบวชตอนแรกๆก็ พระสาวกเหล่านั้นก็พาคุณบุตรเหล่านั้นมาไหว้พระพุทธเจ้าให้พระองค์ได้ทรงบวชให้ก็พระองค์เห็นความลําบากของพระสาวกเหล่านั้นก็ได้ประทานวิธีบวชให้ด้วยติสนะคำนูประสัมปทาคือให้สาวกได้บวชเองได้เนี่ยฉะนั้นเมื่อบวชเองในขณะที่โหมผ้ากาสายะให้นั้นชื่อว่าเป็นการให้บัณฑิชาแล้วแต่ว่าให้การให้รับไปสนักคม คือให้ถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นถือว่าเป็นการให้อุปสมบทเนี่ยส่วนการบวช ด, ด้วยเอหิปิกุปปสัมพาัาอันนั้นก็หมายถึงว่าบวช ด, ด้วยอพระศ า, ศาสดาทรงทําเองการบวช ด, ด้วยเอหิปิกุปปสัมพัฒนานั้นก็แยกออกเป็นสองอย่างเหมือนกันคือสองตอนเหมือนกันตอนที่อพระองค์ได้ทรงดหนัสว่ามาเถิดพิสุหรือเป็นพิสุมาเถิด อันนี้เป็นการทรงพระอนุญาตให้ถือเพศได้แก่การประทานการบัพชานั่นเองอสองพระดํารัสว่าจงประพฤติรมจริย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดนี่ก็เป็นการทรงพระอนุญาตให้รับพระธรรมวินัยได้แก่การประทานอุปสมบทนั่นเองนี <c oughs> นั้นพระองค์ได้ทรงตรัสแก่ผู้ที่เอมีความเลื่อมใสในการที่จะบวชเนี่ย เช่นครั้งแรกนี่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรแกเ่เบญจมาคีตังห้าที่ป่าอิศิปัตนาบริขัยวันครั้นแสดงธรรมจักรจบลงก็ปรากฏว่าโกนทัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาก็ได้ขอบวชพระองค์ก็ตรัสว่าจงเป็นพิสุมาเถิดอจงเป็นพิสุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดนั้นพระดําดรัสที่ว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดแหนเป็นเป็นการให้บรารมชาส่วนว่าจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดโดยชอบเถิดนั้นคือเป็นการให้อุปสมบทนั้นท่านแยกออกไว้อย่างนี้นอต่อไปก็เกี่ยวกับการบอกพันธุ ก, กรรมอการบอกพันธุ ก, กรรมก็คือการเอ บอกเกี่ยวกับการโกนผมแก่กลุ่บุตรที่เข้าจะเข้ามาบวชในการให้รบรรพชาในครั้งนั้นเนี่ยภิกษุต้องทำให้เองตั้งแต่โกนผมปลง n นวนาให้เป็นต้นไปจนถึงมีพุทธานุญาตให้ประชุมสงบอกพันธุ ก, กรรมคือการโกนผมเป็นเบื้องต้นก่อนคำบอกออไม่มีแจ้งไว้ในบาลีแต่ว่าในอัตถานั้นแสดงวิธีบอกพันธุ ก, กรรมไว้ว่าภิกษุนั้นพึงยังภิกษุทั้งหลาย าผู้อยู่ในสีมาให้ประชุมกันแล้วพาปปปชาไปข่าไปในที่นั้นแล้วบอกผันถูกกรรมก็หมายความว่าอาการบวชจะเป็นบวชเป็นเนนเป็นภิกษุกด็ดีภิกษุจะต้องทําหน้าที่ปลงผมให้แก่ผู้ที่จะบวชนั้นแต่ว่าการปรงผมให้แก่ผู้จะบวชซึ่งภิกษุทําเองนั้นให้ทําเป็นการสง่ง นะคือบอกพันธุกรรมเป็นอัปปลา อ, อัปปโลกณกรรมอนะ่ประชุมกันแล้วก็กล่าวคําบอกพันธุกรรมแก่สง์เพื่อจะได้เอ่อโกนผมกุลโกนผมปล o n หนวดกุลระบุตรผู้ที่จะบวชนั้นนะนี่คําบอกพันธุกรรมนั้นบอกว่าอย่างไรคําบอกพันธุกรรมชนิดที่พาปร ะ, ประชาเป็ขับไปด้วยนะไปด้วยไปในที่ประชุมสง์นั่นนะคาบอกก็บอกว่า สังคังพันเตอิมัตสะถารกัสสะพันธูก ร, รัมังอาปุชามิแปลว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าบอกพันธุกรรมแห่งทารกนี้แก่สงหรือจะบอกว่าอิมัตสะสมณกกระดังอาปุชามิแปลว่าข้าพเจ้าเ อ, อบอกทารกนี้ให้เป็นสมณะหรือจะบอกว่าอยังกวัปะชิโตออยังปวัตตาาปะชิตุกามโมแปลว่าธารกผู้นี้ใครจะบวช เท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นการบอกพันธุกรรมแล้วส่วนคำบอกพันธุกรรมชนิดที่ไม่พาปปัชชาเปกขาดไปด้วยคือส่งพิสุ์หนุ่มสัมมณีนไปบอกก็ได้นะไม่ต้องพาผู้ที่จะบวชนั้นไปด้วยเพียงแต่ส่งพิสูจนหรือสัมมณีนก็ได้ไปเป็นตัวแทนก็เมื่อบอกแก่สงก็ใช้คาว่าเอโกพันเตปปปปปชาเปกโอัติตัดสพันธุกรรมังอาปุฉามิ แปล ว, ว่าท่านเจ้าข้าพระพชาเปกขะมีอยู่ผู้หนึ่งข้าพเจ้าจบอกพันธุกรรมแก่เขาอันนี้ก็เป็นการบอกพันธุกรรมโดยที่ไม่ต้องนำพระพรชาเปโไปด้วยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันเกี่ยวกับการบอกพันธุกรรมนั้นเราไม่ได้ทำกันก็เพราะว่าไม่มีข้อห้ามที่การมีการปรับอับัตจะบอก ก็เป็นส่วนดีไม่บอกท่านก็ไม่ไปรับอบตบอะไรที่นั้นเราทุกวันนี้ก็เมื่อมีการบวชจะเป็นบวชเนนบวชภาะก็แล้วแต่ก็โกนผมทีเดียวลงนวดทีเดียวไม่มีการบอกพันธุ ก, กรรมก็ถือว่าก็ไม่ผิดวินัยอะไรก็คือไม่ได้มีห้ามไว้ว่าจะต้องปรับอบตบอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยก็ทาที่ว่าทาได้สะดวกทาได้ง่ายตามสมควรก็ ลงผมกลโนได้เลยทีเดียวที่เราพูดถึงการอุปสมบทอุปสมบทการอุปสมบทในที่นี้ก็หมายถึงการอุปสมบทด้วยยติจตุถกรรมนะบุคคลจะ อ, อันทร์จะพึงรับให้อุปสมบทเป็นทิสุนั้นก็จะต้องประกอบด้วยองค์คุณสมบัตินะเพราการอุปสมบทนั้นนะการบวชที่ว่าอุปสมบทมันมีอยู่สาม สามวิธีคือวิธีเอหุประสัมพันธ์าภาษาสดาทรงทําเองติสนะคำนูประสัมพันธ์าให้สาวกบวชเองได้และก็ยติจตุตะกรรมวาจ่าให้สงเป็นใหญ่ในการบวชในปัจจุบันนั้นก็ใช้ยติจตุตะกรรมวาจา่าคือใช้อํานาจสง์ในการที่จะรับกุลบุตรผู้มีศรัทธาเข้ามาอยู่ในเพศบรรพชิตคือเป็นนักบวชก็ทํากันด้วยยติจตุตะกรรมวาจา นั้นผู้ที่จะบวช ด, ด้วยยกแต่ยตุกรรมจุตกรรมวาจานั้นต้องประกอบด้วยองคุณสมบัติท่านกล่าวว่าหนึ่งต้องเป็นชายคือเป็นบุรุษเพศสองมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นมาจนถึงวันอุปสมบทได้ยี่สิบปีบริบูรณ์สามไม่ใช่อภัพภะบุคคลคือบุคคลที่ไม่ควรแก่การอุปสมบท บุคคลจะพวกอัปภาพบุคคลนี้ห้ามไม่ให้อุปสมบทโดยเด็ดขาดแม้อุปสมบทก็ไม่ขึ้นนั้นจะต้องอพร้อมด้วยคุณสมบัติสามประการนี้เป็นชายคือเป็นบุรุษเพศสองก็มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นมาจนถึงครบบริบูรณ์และก็ไม่ใช่อัปภาพบุคคลในสามประเภทนี้จึงจะอุปสมบทขึ้น อภรรยบุคคลที่ห้ามบวชโดยเด็ดขาดตลอดชาติเนี่ยมีอยู่สามนะมีอยู่สามประการหรือสามประเภทคือหนึ่งคนมีเพศบกพร่องนะคนมีเพศบกพร่องได้แก่บุคคลสองจำพวกคือปันตะโกคือบรรดะนะบันตะโกได้แก่บรรดะบุคคลประเภทนี้ตามมาลีและอัตถะท่านแยกออกมาอีกเป็นสามประเภทคือชายมีราคะกล้า ประพฤตินอกเรียนอกรอยทางการเสพกามและก็ยั่วชายอื่นให้เป็นเช่นนั้นสองชายที่ถูกตอ่อสามกระเทยโดยกําเนิดอบุคคลเหล่านี้ที่ถูกฆ่าอุปสมบทก็เพราะเป็นที่สังเกีจของคนอื่นในการเล่นสวา่าดเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าอบุคคลที่มีราคากล้าเนี่ยเอผู้ชายบางคนก็มีราคากล้ามีราคะรุนแรงและก็ มักจะมีการทำนอกรีดนอกรอยในการเสดกามก็เป็นที่ได้ยินได้ฟังอยู่ตามสมควรเหมือนกันแม้แต่ชายที่ถูกตอนก็ห้ามนะแล้วก็กระเทยหรือบุคคลประเภทที่สามเนี่ยกระเทยโดยกำเนิดเนี่ยก็ห้ามบวชห้ามอุปสมบทเป็นที่สุในพระพุทธศาสนาก็เป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปนะและ้วก็ ประกานที่สองอุปโตพยัญชนะอุปโตพยัญชนกเนี่ยคือคนมีสองเพศคนมีสองเพศก็คือเป็นเพศหญิงก็ได้เป็นเพศชายก็ได้อันนี้ก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะสนิษฐานหรือพิจารณาได้ยากหน่อยคนที่เป็นเพศหญิงเพศชายด้วยกันเนี่ยก็มัน่าจะมีทั้งอ สิ่งที่เป็นเพศหญิงสิ่งที่เป็นชายอยู่ในคนคนเดียวกันแต่ว่าในบางแห่งท่านก็สันนิษฐานว่าน่าจะเอเป็นเพราะว่าเพศนั้นเป็นชายแต่ว่าจิตใจนั้นเป็นหญิงอันนี้ก็ยากในการที่จะกําหนดพิจารณาว่าเป็นแค่ไหนเหมือนกันนั่นก็เอส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือว่าคนในคนคนเดียวกันมีเพศทั้งสองอย่างนั่นแหละอันนี้ห้ามบวกเด็ดขาด แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือคนประพฤติผิดประธรรมวินัยคือทำผิดอย่างไร้แรงเช่นคนทำผิดต่อพระศ า, ศาสนาอย่างไร้แรงมีเจ็ดอย่างเนี่ยที่เป็นอภัพอภุโคลที่ห้ามบวชนี่คือหนึ่งอรหันตะต่าคนฆ่าพระอรหันต์สองภิกุณีทูส ก, กะคนทำร้ายภิกษุณีได้แก่คนข่มขืนนางภิกษุณี สามทยสังวาสคนลักเพศได้แก่คนที่ถือเพศภิกษุเอาเองด้วยตั้งใจจะปลอมเข้าอยู่ในหมู่ภิกษุ <c oughs> สี่ติทยบันตะ ก, กะภิกษุไปเข้าเรียดในเรถถือถีทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นภิกษุห้ า, ารารชิกะภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกลักเพศไปแล้วหกสังฆเพศะคือภิกษุทำสังฆเพศเจ็ดโลหิตตุ ป, ปาทะคนทาร้ายพระศ า, าสดา จนถึงห่อพระโลหิต <c oughs> บุคคลที่ทำผิดต่อพระตรรมวินัยอย่างร้แรงทั้งเจดอย่างนี้ห้ามบวชบวชก็ไม่ขึ้นไม่เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาฆ่าพระอรหันต์ในปัจจุบันเราก็ไม่ทราบว่าพระอรหันต์มีบ้างหรือไม่แต่ว่าถ้ามีหรือผู้นั้นไปฆ่าพระอรหรนันต์เนี่ยจะมาบวชเป็นภิกษุนั้นบวชไม่ได้เนี่ยหรือว่า คนทําร้ายนางฟิกษุณีได้แกการข่มขืนนางฟิกษุนีอฟิกษุณีในปัจจุบันไม่มีมีแต่ชีอซึ่งไม่ใช่ฟิกษุนีนั้นคนที่ข่มขืนนางฟิกษุณีเนี่ยจะมาบวชเป็นฟิกษุไม่ได้นะอันนี้ห้ามบวชเด็ดขาดบวชก็ไม่เป็นฟิกษุบวชไม่เป็นฟิกษุและก็ทายาสังวาสคนลักเพศเอก็หมายความว่า ถือเอาเพศเองเช่นถือ เ, อเพศภิกษุเองเนี่ยแดกบวชเอาเองพูดง่ายๆบวชเอาเองกับพ่อผมกุ่มเอาเองจากปลอมเข้ามาอยู่ในหมู่ภิกษุอย่างเงี้ยตอนหลังที่เอะจะเข้ามาบวชจริงๆก็ท่านห้ามไม่ให้บวชเพราะว่าพกภิกษุเนี่ยผู้นี้ถืออรักเพศอถือเพศเอาเองปลอมเข้ามาอยู่ในหมู่ภิกษุเนี่ยนะห้ามบวชผู <c oughs> งบวชก็ไม่เป็นภิกษุในศาสนาและก็ ประการต่อมาก็คือพิสูจนไปเข้าที่เดรถถัจฉีทั้งๆ ท, ท, ที่ยังเป็นพิสูุเนี่ยไปเข้าที่เดรัีแล้วจะกลับมาบวชในพุทธศาสนาใหม่นท่านห้ามบวชห้ามบวชเด็ดขาดแต่ถ้าไปเข้าโดยตอนนั้นที่เป็นคารวะแล้วก็กลับมาเข้าพุทธศาสนาใหม่อันนี้จะต้องอยู่ปริวาตสี่เดือนแต่ถ้าไปทั้งพิสูุไปเข้าทั้งพิสูจน์นี่ห้ามกลับเข้ามาห้ามบวชในพุทธศาสนา <c oughs> และก็ประการที่ห้าต่อมาก็คือพิสูจต้องอบัติปาราชิก ศึกไปแล้วฉันจะต้องปราชิกโดยการอ่าเสพเมตุนก็ดีโดยการอ่รักของเขาได้ราคาห้ามาสกขึ้นไปก็ดีหรือด้วยการฆ่ามนุษย์ให้ตายก็ดีหรือด้วยการอวดอุตริมรุษธรรมทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนก็ดีเป็นปราชิกศึกไปแล้วจะกลับบวชใหม่ก็ไม่เป็นพิสุภาวะให้พระพุทธศาสนา <c oughs> คือบวชไม่ได้นั่นเองและก็ประการที่หกก็คือการทําสังฆเพศ ภิกษุที่ยุยงให้เกิดการแตกแยกกันให้สงแตกความสามัคคีแตกความพร้อมเพียงกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเ อ, อเช่นพระเทวทัตได้แยกพวกออกจากพระศาสด า, า, าไปตั้งคณะขึ้นอีกต่หากอย่างนี้น ก, ก, ออก็กออกกกรรกถือว่าเป็นการทําสังฆเภทคือแยกออกแยกสงออกเป็นสงฝ่ายสามฝ่ายไม่ขึ้นต่อกันไม่ร่วมบูชไม่ร่วมสังฆกรรมเลยกันนั่นถือว่าเป็นการทําสังฆเภพศบุคคลที่ทําสังฆเภทนี้เนี่ย เมื่ อ, อจะกลับมาบวชใหม่เนี่ยก็ห้ามไม่ให้บวชเหมือนกันและประการที่เจ็ดก็คือโลหิ ต, ตุบาทคนทาไร้พระาศาสดาจนถึงฮอบพระโลหิตปัจจุบันนี้พระาศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้เสด็จดับขันธปริณิผ่านไปแล้วถึงนิพพานไปแล้วก็การที่จะไปทาไร้พระาศาสดาให้พระองค์ฮอบะโลหิตนั้นก็คงจะทําไม่ได้ แต่ก็อนุโลมที่ว่าบุคคลที่ไปทําร้ายตัดคอพระพุทธรูปก็ดีหรือไปทําอันตรายแก่พระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนของพระศาสดาก็ดีนี่อันนี้ก็น่าจะมีโทษรุนแรงเหมือนกันแต่ห้ามไม่ให้บวชได้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าคนที่มีจิตใจอมาหิตขนาดทําร้ายพระพุทธรูปหรือทําลายพระพุทธรูปนี่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีจิตใจธรรมดาแล้วอแต่ว่า อ่าในทีนี้ท่านมุ่งหมายเอาทําโลหิตตุบาทคือยังพระโลหิตของพระเจ้าให้ห่อขึ้นไปนะส่วนอภัฟ้าบุคคลประเภทที่สามคือคนทําผิดต่อกำเนิดของตนคนทําผิดต่อกำเนิดของตนก็คือหนึ่งปิตุฆาตฆ่าบิดาสองมาตุฆาตฆ่ามารดาคนฆ่าพ่อคนฆ่าแม่ของตนเองได้เนี่ย แส ด, แดงว่าคนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายเป็นคนใจดำอําหิทผิดมนุษย์แล้วจะเข้ามาบวชนั้นท่านพระพุทธองค์จึงบัญญัติห้ามเด็ดขาดไม่ให้บวชในพระพุทธศาสนาทั้งทั้ ง, ท, งที่ว่าตัวของเขาที่เกิดมานั่นแหละก็เกิดมาจากพ่อเกิดมาจากแม่ที่มีชีวิตที่ดำเนินชีวิตอยู่ได้ก็มาจากพ่อจากแม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดชีวิตมาเป็นผู้ที่เลี้ยงดูมาด้วยความรักด้วยความเอ็นดูด้วยความเมตตาแต่ว่าสามารถไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ <c oughs> ได้นั้นสแสดงว่าจิตใจนั้นไม่ใช่เป็นจิตใจของมนุษย์แล้วก็ไม่ควรจะบวชเพราะคนที่จะบวชก็คือมนุษย์เท่านั้นนะอันนี้ข้อนี้สําคัญมากที่เราท่านทั้งหลายซึ่งเกิดมานั้น ล้วนแต่มีพ่อล้วนแต่มีแม่โดยกันทั้งสิ้นนะพ่อนั้นมีพระคุณต่อพวกเรามากทีเดียวนะเราได้ชีวิตเรามีชีวิตเรามีความสุขอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าเรามีพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาเลี้ยงดูปูปกให้เราได้มีความสุขให้มีความร่มเย็นอ่าแล้วก็ให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อ่าตามสมควรแก่การที่จะพึงเป็นไปได้อ่พระคุณของพ่อนั้นไม่ใช่ เป็นสิ่งที่เราจะตอบแทนได้หมดสิ้นในชาตินี้ซึ่งเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ไพศาล ย, ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นท่านพารณนาไว้ว่าอาประคุณของพ่อนั้นนะมากมายมหาศาลไม่สามารถที่จะนับไม่สามารถที่จะคานนาได้แต่ท่านกล่าวเป็นคํากลอนสอนใจเอาไว้ว่า พระคุณพ่อก่อเกิดกำเนิดบุตรพระคุณพ่อสูงสุดยิ่งภูผาพระคุณพ่อเจือจุนอุนอุราพระคุณพ่อยิ่งฟ้าดารากอนพระคุณพ่อก่อลูกมาพบโลกพระคุณพ่อดับโศกเมื่อทุกข์ร้อนพระคุณพ่อแผ่เผื่ออื้ออารพระคุณพ่อสั่งสอนให้ลูกดีพระคุณพ่อเย็นกล้าวทุกเช้าค่ำพระคุณพ่อเลิศล้ำสุรีศรี พระคุณพ่อหาใดเปรียบไม่มีลองดูสินึกเทียบเปรียบแทนคุณจะเทียบดินดินก็ด้อยน้อยนักหนาจะเทียบฟ้าฟ้าก็สามต่ำสะรุนจะเทียบน้ำอีกทั้งลมไม่สมดุลปิตุคุณใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดฉะนั้นพระคุณพ่อจึงใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นหรือบางคนพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นคนที่มีการประพฤต ไม่ค่อยดีติดเหล้าติดยาติดกัญชาเฮโรอีนเล่นการผนันก็ตามแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องของท่านนะแต่เรื่องของเราผู้เป็นลูกนั้นก็ถือว่าท่านเป็นพ่อของเราแล้วก็ควรที่จะเคารพนับถือท่านกล่าวว่าถึงจะเมาเช้าเย็นก็เป็นพ่อจะพูดจะแอบอ้อก็พ่อฉันจะติดคุกติดตารางทางผนันก็ไม่พ้นพ่อฉันอยู่นั่นเอง อันบุคคลใดใครลืมพ่อผู้นั้นก็เลวทรามต่ำกว่าหมาเพราะคุณพ่อให้กำเนิดเกิดกายาไม่มีพ่อแล้วเราจะเกิดมาได้อย่างไรนั้นพระคุณพ่อจึงเป็นพระคุณอันสูงสุดยิ่งใหญ่ไพศาลการที่เราจะไปฆ่าหรือไปทำให้พ่อต้องได้รับความเดือดร้อนด้วยประการใดประการหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นคน อ, ากาอักปัญญูฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงไม่อนุญาตให้บวชในพระพุทธศาสนา ไม่อนุญาตให้เข้ามาอยู่ในร่มเงาแห่งกาสาวพัดเลยแม้แต่ข่ามารดาคือผู้ที่เป็นแม่ก็เหมือนกันเพราะแม่ก็เป็นผู้ที่ให้กำเนิดเกิดชีวิตเรามาเหมือนกันกับพ่อแต่แม่นั้นค่อนข้างจะลำบากมากกว่าพ่ออันนี้ว่าโดยความเป็นธรรมเพราะแม่ต้องอุ้มท้องประคองขันถึงแปดเดือนเก้าเดือนหรือบางคนถึงสิบเดือนก็มี ต้องอุ้มท้องประคองคันนอนก็ต้องอุ้มท้องยืนก็ต้องอุ้มท้องเดินก็ต้องอุ้มทอ้องอะไร อ, อะไรก็ต้องอุ้มท้องประคองคันลำบากปรากรามทุกทรมานบางาทีก็ต้องอดบางทีก็ต้องงดสิ่งบางประการกลัวลูกจะได้รับอันตรายที่อยู่ในครันต้องอุ้มท้องประคองคันมาตลอดระยะเวลาถึงแปดเดือนเก้าเดือนนั้นลำบากมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราผู้เป็นลูกหลองพิจารณา ตอนคลอดเราออกมานั้นแม่บางคนก็ถึงกับถึงกับเสียชีวิตไปก็มีบางคนสลบแล้วสลบเล่าสลบเล่าสลบแล้ ว, ลล ว, ลลวเ อ, อพอตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมายังถามเป็นลูกหญิงลูกชายนี่คือความรักที่แม่ที่มีต่อลูกด้วยความรักอย่างจริงใจและเป็นความรักที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าความรักใดๆทั้งสิ้นท่านต้องเลี้ยงดูปูปกนะให้เราได้มีความสุข ยีมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างาตามสมควรแก่ฐานะที่จะพึงเป็นไปได้นั้นความรักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักยิ่งกว่าความรักใดๆที่เราท่านทั้งหลายไม่ควรที่จะลืมไม่ควรที่จะละเลยควรที่จะพิจารณาให้เห็นว่าท่านมีความรักมีพระคุณต่อเรามากอย่างไรมีผู้ที่ท่านพารนาพระคุณของแม่ ที่กล่าวเป็นคํากลอนสอนใจให้เราผู้เป็นลูกได้คิดว่าแม่อ่ารักใดเล่าจะแม่เท่าแม่รักผูกสมัครลูกมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกครายามลูกขืนแม่ขมตรมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกวิโยคกว่ายามลูกหายแม่ห่วงคอยดวงตายามลูกมาแม่ลดหมดห่วงใหญ่รักของใครไม่เท่าสักรักของแม่ รักแน่แท้แม่รักอยู่ไม่รู้สร้างศัตรูร้ายก็ไม่กลายมากั้นกลางถึงรักนางรักนายก็ไม่เกินแม่รักยศรักศักดิ์อัครฐานรักการงานสารพันรักสรรเสริญรักสนุกทุกสถานรักสำหราญเทินรักไม่เกินรักของแม่รักแท้เอ่ยแม่รักลูกปลูกฝังทางศึกษาอีกจัรญาแม่อบรมบ่มนิสัยแม่รักลูกปกป้องคุ้มครองภัย ลูกรักแม่ก็จงได้กะตันยูดังนั้นแม่มีพระคุณมากอย่างนี้มีพระคุณล้นเหลืออย่างนี้ต่อผู้ที่เป็นลูกลูกที่ดีก็ควรที่จะมีความกะตัญยูบูชาพระคุณของท่านท่านทั้งสองคือทั้งพ่อทั้งแม่เลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบช่วยทํากิจของท่านดารงวงศกุลพระพฤติตนเป็นคนดี ที่ได้ที่ควรได้รับทรัพย์มรดกและก็เมื่อท่านล่วงรับดับขันจากโลกนี้ไปเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศล <c oughs> แผ่วิบบัสมบัติส่งไปให้ท่านนั่นเป็นการที่ถูกต้องที่สุดนั้นถ้าผู้ใดมีจิตใจอำมหิตโหดร้ายฆ่าถึงพ่อก็ดีฆ่าแม่ก็ดีเนี่ยจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นบวชไม่ขึ้นนะไม่เป็นภิกษุภาวะในพระพุทธศาสนาดั <c oughs> างนั้นอาภัพบุคคล ที่ได้กล่าวมาทั้งสามประเภทนี้อบวชไม่ได้ห้ามตลอดชีวิตเลยทีเดียวก็คือคนมีเพศบกพร่องหนึ่งนะคนมีเพศบกพร่องหนึ่งคนทําผิดประธรรมวินัยอย่างร้ายแรงหนึ่งและคนที่ทําผิดต่อกําเนิดของตนคือข่าพอ่อข้าแม่หนึ่งเนี่ยห้ามบวชเด็ดขาดฉะนั้นเพื่อนศาสธรรมิกทั้งหลายเพื่อนอที่กําลังศึกษ า, าวินัย น, นักธรรมชั้นเอกอยู่ก็พึงท่องให้ขึ้นใจว่า บุคคลที่ห้ามบวชโดยเด็ดขาดนั้นมีสามประเภทเท่านั้นนะสรุปแล้วมีสามประเภทคือที่มีเพศบกพร่องนะเคศบกพร่องนั้นอะไรบ้างก็ไปทบทวนแล้วก็ทำผิดต่อประทัินัยอย่างไร้แรงอันนี้กระท่องให้ขึ้นใจเลยมีเจ็ดอย่างนะอารหันตาฆ่า่าพระอารหันติภิกษุนีภิกษุณีทูสกะทำร้ายนางภิกษุณีหรือคมคืนนางภิกษุณีไถยสังวาสคนรักเพศก็ถือเพศเอาเอง ปลอมก็ามาบวชอยู่ในพระบูพิกษุติทาาี่ยะว่าสพิษุไปเข้ารีบในเลธีปาราชิกพิชิตต้องบัตรปาราชิกไปแล้วศึกไปแล้วก็บวชไม่ได้สังฆเภพศผู้ที่ทําลายส่งให้แตกกันลงหิตธุบาต ท, ทร้ายภาษาสดาให้ถึงกระโห ล, ลหิตนี่ก็คือทําผิดพระวินัยอย่างร้ายแรงเอก็ท่องในขึ้นใจตั้งเจ็ดข้อนี้แล้วก็ทําผิดต่อกําเนิดของตนก็คือผิดต่อกําเนิดได้แก่บิดามารดาของตนเองห้ามบวช พระบุคคลเหล่านี้อะนะที่กล่าวมานี้รู้มาแต่แรกนั้นท่านบอกว่าไม่ควรรับอุปสมบทแม้ให้อุปสมบทแล้วโดยไม่รู้ภายหลังรู้เข้าพึงนาสนาคือให้ยิบหายเสียจากเพศเรียกว่าให้สึกไปนะถ้ารู้มาแต่แรกแล้วก็อย่าให้บวชแต่ถ้าไม่รู้รู้ต่อภายหลังเนี่ยให้ทําการนาสนา เรียกว่าให้ลาจิขาไปไม่ให้อยู่ในหมู่เพราะว่าเป็นเหตุให้การปฏิบัติสังฆกรรมทำสังฆกิจนั้นไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะขนไม่ใช่ปิสุก็อาจจะทำสังฆกรรมไม่ขึ้นแต่เพราะว่าไม่ใช่ปิสุอยู่แล้วนั่นก็พึงเข้าใจแต่ก็จดจาท่องให้ขึ้นใจดังที่ได้กล่าวแล้วเอาลยครับการศึกษาพระินายใ น, ในการนี้เกี่ยวกับ เรื่องของการบวชก็เวลาของเราก็ได้สิ้นสุดยุติลงแล้วก็เราก็จะได้ศึกษาต่อในโอกาสต่อไปอสำหรับในวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธธรรมิกทุกๆรูปเทอญ